พระธรรมเทศนาแผนที่775ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโควัดป่าดาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าให้รู้จักวางตัว วันนี้เป็นวันที่ส6บหมีนาคมพุทธศักราช2 5งรห้าสบวันนี้เป็นวันเข้ามาถึงเดือนมีนาแล้วก็ปีนี้อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาพวกเราจะได้ไปร่วมกัน ทำบุญลำลึกถึงคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารที่พวกเราเคยทําทุกปีปีนี้ก็ปีที่แล้วหลวงพ่อไม่ได้ไปพอหลวงพ่องานหลวงปู่ํามแล้วก็หมัดหมาดยังเหนื่อย เลยไม่ได้ไปจัดงานคุณแม่ปีที่แล้วให้คนอื่นเาท่านจัดไปแต่ปีนี้หลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อคงไปไปแน่ถ้าสุขภาพไม่มีอะไรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คงจะไปงานรำลึกถึงคุณแม่ชี้แก้วที่พวกเราได้สร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา นํบว่าคุณแม่ของเราคุณแม่ชีแก้วของเราเป็นแม่ชีที่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งที่องค์หลวงตามหาบัวที่ท่านประกาศว่าคุณแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรตัวของท่านเป็นอย่า ง, างนั้นทางด้าน จ, จิตใจ คือท่านรับรองในความบริสุทธิ์ของคุณแม่ชีแก้วทางด้านจิตใจเพราะนั้นเมื่อคุณแม่จากไปคุณแม่เมื่ออายุท่านได้9ก้าสิ่าปีท่านจากไปไม่นานอธิษฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุเป็นแต่อธิธฐานของคุณแม่เห็นแล้วจะเหมือนกับแก้วนะแก้วจะไม่ใช่แก้วใสนะ แก้วค่อยๆว่ า, าวแก้วภพุนพุนเกือบทุกเกือบทุกอันที่เป็นอติของคุณแม่จะเป็นแก้วเมื่อเราพวกเราพนาัทธา ญ, ญาติโยมศิษย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาพวกเราก็เลยสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขึ้นมาที่ห้วยทรายก็ใช้เงินมากพอสมควรแต่ เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นและต่างจังหวัดที่พวกที่ได้ทราบก็หลั่งไหลเข้าไปกราบเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของคุณแม่โดดไม่ขาดสาย <c oughs> ปีหนึ่งพวกเราก็ทําพิธีเคารพสักการะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา แต่ท่านมรณะภาพจริง <c oughs> เป็นเดือนมิทุนาเป็นเดือนมิทุนาแต่ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่จวนเข้าฤ ด, ดูฝนบางปีก็ตกก้าเขาจะดำนาอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับคนในท้องถิน่นในช่วงนั้นหลวงพ่อก็เลยปรึกษาปารุ ก, กับคณะกรรมการว่าน่าจะลดถอยลงมา เป็นเดือนมีนาจะดีไหมเพราะถึงยังไงเราก็จะลำเลึกถึงคุณแม่อยู่แล้วถ้าหาวันเราไปเอาช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามันจะยุ่งยากกับพี่น้องชาวบ้านเขาเกินไปก็เห็นลงมติกันก็เลยเอาเป็นเดือนสุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีนี่พวกเราก็ทำมาหลายปีปีนี้ก็คงจะมีงาน อย่างที่ลูกพ่อได้ประกาศด้นทางต่อไปพวกเราคงจะได้เตรียมพร้อมคิดไว้เหมือนกันนะผู้ที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อแนละ้วก็ให้คิดคิดไว้ว่าพวกเราจะตั้งตั้งโรงทานยังไงเลี้ยงคู่คนยังไงแต่โดยมากก็จะมีเป็นคนท้องถิ่นจะมากกว่าแต่ถึงยังไงก็ดีลูกหลานให้ความเคารพให้ความสักกิรีให้ความสําคัญ กับคุณย่าของพวกเรานับว่าเป็นบุญกุศลนี่แหละอันนี้ก็คื อ, เ, อ, อเป็นบุคคลเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้าท่านให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาให้เลือกออให้เลือกหรือว่าให้วางตัวให้รู้จักพยายามอ่าน อ่านเรื่องราวอ่านเรื่องอ่านเรื่องของโลกและการเป็นอยู่ในเสียงรอบด้านอ่านครั้งตัวเองด้วยท่านจึงมีทำคําสอนสัพพริสธรรมสัพพริสธรรมคือธรรมของสัตว์ประหลุศสัตว์ปรุษคือเป็นบุคคลที่มีความคิด มีความคิดมีความอ่านมีคล้ายๆกับว่าเป็นสุภาพบุรุษลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นภาษาเราก็เลยว่าสุภาพบุรุษเป็นผู้มีมารยาทที่ดีเป็นผู้มีสัมมาคารว ะ, ะเป็นผู้มีทางธรรมก็บอกมีเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมอยู่ไปอยู่นสถานที่ใดใกล้ใครก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอการพูดจาพาทีก็อยู่ในสัมมาวาจาไม่มีวาจาอันหยาบคายไม่มีวาจาอันจ่วงจา่าที่จะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นถ้าจะดูถูกก็ดูถูกแบบพูดว่ามันไม่ถูก มันจะถูกได้ยังไงเพื่อทําไม่ถูกนะอันนี้ก็คือพูดให้รู้จักไม่ใช่ว่าเอามาโก่นมาด่ากันจนถึงดูดูแล้วพูดที่ฟังรับไปได้ผู้ที่อยู่ภายนอกรู้สึกว่าภาษาพ่อขุนลามภาษาไหนกรนมาพูดกันหมดภาษาพ่อคุณลามคืออะไรกูมึง อปีแตภาษาปิแต่กูกับมึงนะลักษณะอย่างนั้นพอภาษาดั้งเดิมของของคนไทยเป็นอย่างนั้นนะภาษาพ่อคุณล่ำเ <c oughs> พราะนั้นพวกลูกหลานทุกวันนี้ก็เลยเอาภาษาดั้งเดิมมาพูดกันดู้แล้วก็จักจะเกินไปหลวงพ่อว่านะอ <c oughs> นี่แหละผมพ่อได้ยินรู้สึกว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าไม่สบายใจ ในการใช้ภาษาดุดาดุดันกันเกินไปตามมิจ้าหังว่าผู้ใดรับการศึกษาที่ดีแล้วควรจะรู้จักในการวางตัวในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าทำมันยุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุเหตุนี้มันมาจากไหนมันยังเป็นอย่างนี้นัวทำมันยุตา อัฏฐานยูตาเป็นผู้รู้จักผลผลตัวนี้มันมาจากเหตุอันใดมันยังมาเป็นผลอันนี้เรียก ว, ว่าอัฏฐานยูตาจากนั้นอัฏฐัญยูตาความเป็นผู้รู้จักตนอัตัญยูตาเป็นผู้รู้รจักตนใคร ข, าขา้ามองดูตนเองว่าเราอยู่ในสถานะอย่างนี้ เมื่อเข้าไปชูซุมชนเราควรปฏิบัติตนอย่างไรหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นอยู่ของเราขนาดนี้เราควรวางตัวอย่างไรอันนี้ว่าอัตตัญญุตามัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักประมาณตนว่าสถานะของเราอย่างนี้ควรจะบริโภคอย่างไงควรจะใช้สอยอย่างไง ควรจะเก็บหอมลอมเล็บอย่างไรในฐานะของตนเองลักษณะอย่างนี้จากนันกระกาลันยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาการเช่นนี้เวลาอย่างนี้เราควรทำอย่างไร <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าตกหน้าฝนมาเราไปตกกล้า <c oughs> ตกหนาแล้งมาเราไปตกกล้า พอตกหน้าฝนก็ไปทําอีกที่เขาต้องการแดดต้องการความแห้งแล้งมันไม่รู้จักการมันก็ไปถูกอีกเหมือนกันปริสันยุตารู้จักประชุมชนเมื่อประชุมชนกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาหาควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเข้ามาหาปร ะ, ประชุมชนอย่างนี้ควรวางตัวอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ประชุมชนเขาสนุกสนานเปิดเพลินเฮฮานั่งหมอลำซิ่งหมอลำกรตัวเองไปนั่งขัดสมาธิหลับตาปาีมันก็เข้ากันไม่ไดเ้เมื่อเราเป็นอย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้น เ, เ, เราก็ต้องถ้าเราไม่ไปอยู่ก็ทำให้มันถูกต้องกับบริศัทยุตากับชุมชนนั้น เราวางตัวให้ถูกสรุปแล้วแล้วกับปกุปกคะกระปุกคะรโรประรยุตาเมื่อเข้าไปหาบุคคลบุคคลควรนี้เมื่อเข้าไปหาแล้วควรจะทําตนอย่างไรควรจะพูดอย่างไรควรจะทําอากับกิริยาแสดงความเคารพอย่างไรอันนี้เราก็ต้องต้องรู้จักอีกเหมือนกันนั่นแหะ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้น่ะสัพปรสิสัตตพุรุตสัตตพุรุษสัพปริสธรรมธรรมของสัตตบุรุ ต, รรตรรควรวางตัวอย่างไรเรียกว่าธรร ม, มัญทุตาเป็นผู้รู้จักเหตุอัตถันทุตาเป็นผู้รู้จักผลอัตถันทุตาให้รู้จักให้รู้จักตนมัตตันทุตาให้รู้จักประมาณ ประมาณตัวห้องตัวและกาลันยุตาให้รู้จักการเวลาปริสัญุตตาให้รู้จักประชุมชนชุรินัญิสัาประชุมชนประชาชนปุคลากรบริหารยุตาให้รู้จักบุคคลที่ควรคร บ, บหรือไม่ควรครบอย่างไรให้เลือกครบปริษัญุุคลาก ร, รบริหารยุตา นี่แหละอันนี้ก็คือมัตตันญุตาหลวงพ่อจะพูดเรื่องมัตตันญุตาให้รู้จักตนอัตัญญูตาให้รู้จักตนถ้าเราไม่รู้จักตนมันวางตนมันวางตัวไม่ถูกนะ อ, อมันขวางหลวงพ่อได้อ่านใน ในชาดกเรื่องหนึ่งหลวงพ่อได้ยินก็สะเทือนใจนะนเนีสะเทือนใจแค่แคโอ้โหมันก็ถูกนะแต่มันก็ผิดนะแต่ก็มันไม่ควรแต่ก็สมควรนะเออมันทำไมยังเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อมาพิจารณาเออชาดกกรนีก็เรื่องนี้มันก็น่าคิดอีกเหมือนกันคือสองสาหายออสองสหาห์ยอยู่ในเมือง พาลันไดสีแล้วก็เป็นลูกราล์มทั้งคู่แล้วก็ไปเรียนเมืองตะกัศิลานี่ยไปเรียนนี่แหละไปเรียนพิชาจับทิศปะปโมกเมืองตะกัศิลาพอเรียนเสร็จแล้วก็ตะเวนตะเวนรอบโลกรอบโลกไปหาความรู้ซะ ก, ก่อนจึงกับประเทศตนเองลักษณะอย่างนั้นอ่ะพอตะเวนไปแล้ว บ้านนี่ประเทศเมืองหัวเมืองเมืองหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เมืองเมืองใหญ่แต่ก็ไม่ใช่เ ม, ม, ม, มืองเล็กแต่สองสหายนี่ก็เลยไปนอนอยู่ที่แท่นแท่นชิลาอาดใค้เขาว่าแท่นอยู่ในอุทยานของเขาจากนั้นพอพญาพระเจ้าแผ่นดินในเมืองนั้น ตายพอตายเสร็จแล้วเขาก็เสียงเสียงราชรสคือสมัยนั้นเขามันแย่งกันก็คงอย่างแย่งกันอยากจะเป็นใหญ่ เ, เขาก็เลยเสียงราชรสเขาก็คงจะเชื่อเทพเจ้าเหล่าเทวาจางทุกวันเขาคงจะเชื่อพระเจ้ยามเทวาธิราชอย่างนั้นแ่ะแต่เขาสมัยนั้นเขาเชื่ อ, อพวกเทพเจ้าเหล่าเทวารักษาปกปอปกปักรักษาเมืองของเขา แต่ใี่เขาก็เตรียมราดชรถเตรียมรถเรียบเรียบร้อยแล้วก็เขาก็สัก เ, เคเทพเจ้าเหล่าเทวาใครจะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้มีบุญนะในการจะมาครองเมืองประเทศนี้เสร็จนะแล้วเขาก็เสียงราดชะรถลาดชรถนั่นกูวิ่งออกไปไปกับไปแลนมันวิ่งรอบเมืองทั้งสามรอบซะก่อนนะ พวกนี้ก็แห่พวกอํามาตย์ราชเวีทั้งหลายก็ตกแต่งหน้าบ้านของตัวเองให้สวยหรูเพื่อจะให้รถวิ่งเข้ามาในในบ้านตัวเองเพื่อจะให้ราชรถมาพาดมาเกยลักษณะอย่างนั้นอ่ะคํากคำศัพท์คำนี้มันมันเป็นคําโบราณมาตั้งแต่ตั้งแต่โบราณนะวะ่าราชรถมาพาดมาเกยแต่นี้เขารถราชรถกว็วิ่งวิ่งรอบรอบเมืองสามรอบ จากนั้นมันก็เบนหันหน้าไปทางอุทยานทางอุทยานคนก็เดินตามหลังเฮโรไปวิ่งตามวิ่งตามราชรถตอนนี้มีหนุ่มสองหนุ่มอยู่ที่นอนอยู่ที่ก้อนหินหินราชบันรังด้วนราชอยู่ในอุทยานเป็นแท่นหินที่พัก คนหนึ่งได้ยินภรรยาได้ยินเอ๊ะมันมาอะไรนะคราวนี้ก็หลบหนีเออพอหลบไปไปหลบไปซ่อนที่อื่นแต่อั น, นี้อันนี้นอนไม่ตื่นเลยไปนอนไม้ตื่นเออพอราชจรถวิ่งมาแต่ท่านนี้เป็นภูมิมีบุญนะเออพอมาเขาก็ราชรถก็มาผ่าดมาเกย่างที่ว่าเออผัวในทุกเขาก็เลยตรวจตาดูเออราชรถมาผ่าดมาเกย์ถึงท่านแล้วขอ เ, เชิญท่านให้เป็นปกครองพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแนะ่จากนั้นหนุ่มคนนี้ก็รับเข้าไปก็เป็นที่ถูกต้องเป็นที่พอใจได้รับการท่านก็ได้รับการศึกษามาอย่างดีแล้วเมืองตกักษาศิลาการบริหารจัดการเนี่ยพร้อมเราก็เลยยกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่พอเป็นพระเจ้าแผ่นดินกับปกครองมาแต่เพื่อนเนี่ย เพื่อนที่ที่เป็นเพื่อนกันไม่เห็ความเคารพเลยในจุดนี้เป็นจุดที่ที่น่าคิดนะทั้งที่เพื่อนตัวเองได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อนก็ยกย่องให้เป็นอุปราชนะคล้ายๆก็เป็นอุปราชเป็นผู้รองจากพระเจ้าแผ่นดินอีกตั้งเพื่อนให้เป็นอุปราช เป็นผู้ดูแลแล้วเกิดขาวพระเจ้าเป็นดีไม่อยู่ให้สําเร็จราชการแทนได้ลักษณะอย่างงั้นนะแต่ทีนี้ไอ้เพื่อนเนี่ยไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ํำ เ, เวลาวินิจฉัยคดีความกันเข้ามากัน่ะเอามามือมาจับหัวบังอะไรบังามาพูดอข่าวพระเจ้าเป็นดีนพูดเป็นอย่างนี้เนี่ยเออไม่ไม่ทูกอย่างงั้นอย่างนี้เออแซงขึ้นมาฮลักษณะอย่างงั้นนะจนพระเจ้าเป็นดีนเนี่ก่อน เตือนหลายครั้งเตือนเตือนทั้งในที่รับเตือนทั้งในที่แจง้งเตือนที่รับก็คือเรียกมาคุยกันอย่าอย่าทําอย่างนั้นนะไม่ได้นะการปกครองแต่นิสัยกอย็อย่างเก่านิสัยคล้ายๆว่าไม่ให้ความเคารพคล้ายๆว่าไอ้มึงเป็นเพื่อนกูลักษณะอย่างนั้นนะอแต่ทีนี้พระเจ้าเป็นดินก็นเหลืออดเหลือทนอดมาตั้งนมนานทเลยผลทลัพธ์เกิดวันหนึ่งออกมาเลย พระเจ้าเป็นดินหนึ่งคงเจริญเหงืออดมั้งเออพอทําอีกอย่างเก่าบอกมาหลายครั้งร พ, าา พ, าาพระเจ้าเป็นดินอ้าวเพชรสคาดกลับไปไปตัดคอเอ่อทะนี้เพชรตะคัดก็กรูเข้าไปเลยเอพราะพระเจ้าไป็นดิสั่งนี่ฮะเขาก็จับไปเ อ, อแต่เรื่องนี้พอได้ยินแล้วหลวงพอ่อเขาไม่อยากจะฟังต่ออีกต่อไปตัดคอจริงๆแล้วเขาไปเอาเอาเอาไปพักไว้ก่อนเหมือนกันนี่แหละ สรุปแล้วก็คือนิทานหรือ ว, ว่าชาดกในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากาลเทสะบุคคนในเมื่อเพื่อนของเราได้เป็นใหญ่เมื่อเราเข้าไปหาเราก็ควรวางตัวอย่างไรกับเพื่อนของเราแใจต่อหน้าฐานะกำลังเราก็ต้องวางตัวอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่ อ, อ, อไม่มีใครเราสองต่อสองเราจะพูดคุยกันอย่างไงก็ได้เพราะว่าไม่มีใคร เพื่อนเขาคงจะไม่ถือหนักสักใหญ่พูดคุยกันธรรมดาแต่ถ้ามีบุคคลที่สเข้ามาเราก็ต้องถอยออกต้องรู้จักกาละการสถานที่บุคคลนะี่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราวางตัวถูกนะไปอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดความสงบร่มเย็นเป็นสุขความสบายใจก็มีเกิดกับทุกหมู่ทุกเหล่าปลอยนั้น สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราพระลูกพระหลานทั้งหลายที่เข้ามาได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อให้ฟังเอาไวนะ้ศึกษาเอาไว้ให้วางตัวให้ถูกกาลเทสะการสถ า, านที่บุคคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าธรรมัญยุตตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอัถันยุตตาเป็นผู้รู้จักผลอัตัญยุตตาเป็นผู้รู้จักตนมัตตัญยุตตารู้จักประมาณในการดําเนินชีวิตของตนเอง การลันลยุจิารู้จักการเวลาปริสัญญุตารู้จั ก, จกประชุมชนปุข ร, ระโปรัญณยุตาิารู้จักบุคคลควรครบหรือไม่ควรครบอันนี้คือพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาทั้งหมดในทำคําสอนของพุทธะนะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้ยกตัวอย่างขึ้นให้ฟังมานิทานเรื่องนั้นสอนให้รู้ว่าให้รู้จักการวางตัวต่อบุคคล ที่จะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายขนาดไหนก็เถอะในเมื่อชุมชนอยู่ในชุมชนสังคมเราควรวางตัวอย่างไรถ้าเราทำถ้าทำได้อย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่ใดสบายใจด้วยกันทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ถ้าทำไม่ถูกนั้นถึงจะเป็นเพื่อนกันขนาดนั้นก็เถอะต้องเอาเพชรสคาดไปตัดคอทิ้งเพราะเหตุไรเพราะมันเหลืออดเหลือทนทั้งที่ กำลังมินิใช้คดีความเพื่อนกรบมานะตบหัวเนะี่ยทำพูดอย่ยังไงจงงุนอย่างนี้ขึ้นมาล่ะมันใครเข้า่าเลือออดเลื้อทนจริงนะจริงเอจึงเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองมานึกถึงอยู่กับหลวงตาเหมือนกันนะหลวงพ่อไปกับหลวงตานะไปอยู่ใกล้หลวงตาถ้าด้อยู่ตามลำพังกับหลวงตานะเหมือนพ่อกับลูก เ, เวลาท่านจะม้วนน้าลายเราก็ยกกระโถนขึ้นไป เ, เราก็ท่านก็มวนม้วนปากนะอะแต่พอมีบุคคลที่สามเข้าไปที่เป็นพระเหมือนกันนะภาพมีพระพระเข้าไปเราจะเข้าไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะลวงตาเนี่ยขึงเลยนะเออคล้ายๆทาอย่างนั้นไม่ได้แค่ให้ท่านวางตัว อ, อ, อย่ามาทะลึ่งอย่ามาใกล้อย่ามาจ่อแฉกับเรานะลักษณะอย่างนั้น เห็นโอ้หลวงพ่อจึงรู้ได้ว่านี่หละการวางตัวของแต่ละท่านของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเร า, เาท่านถึงจะท่านถึงอยู่ในระดับไหนก็าตามท่านต้องรู้จักวางการวางตัวถ้าไม่รู้จาักการวางตัวนันท่านจะเทศนาว่าการท่านจะให้คนเขาเหล่านั้นเคารพท่านได้อย่างไงเออไอ้เขารวบหัวรวบหางอะรวบอะไรไปหมดน่ ได้ยังไงเพราะฉนั้นท่านจงรู้จักควรจะพูดหรือไม่ควรพูดควรจะ น, นิ่งควรจะวางตัวอย่างไร่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องอใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดนะพระลูกพาระลานพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะถ้าว่าพวกเรารู้จักการวางตัวแล้วไปนะสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถูกทั้งนั้นแหละนะวันนี้ก็ให้แนวความคิด แนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปรับพร